เราทุกคนยอมรักสุขเกลียดทุกข์เนพูดถึงความทุกข์แล้วก็ไม่มีใครอยากจะเจอเจอความทุกข์นี่มันก็มาพร้อมกับสิ่งที่เราเรียกว่าภั ย, เ, ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราก็ต้องการ สภาวะที่เราปลอดภัยสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เราปลอดภัยหรือว่าพ้นจากอันตรายได้นะก็คือความดีนะดวยเพราะสิ่งที่เรียกว่าศีลศีลเนี่ยก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่คุ้มครองเราให้ปลอดภัยได้ ถ้าไม่มีศีลสักอย่างไม่ว่าจะทำไรก็ชีวิตก็อยู่ในความเสี่ยงถึงแม้ว่าจะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายจะมีอำนาจวา ส, สนาหรือมอีบริษัทบริวารเยอะก็ยากที่จะปลอดภัยได้ถ้าเกิดว่าไม่มีศีล เพราะว่าการที่ไม่มีศีลก็คือการเชื้อเชิญอันตรายหรือภัยต่างๆให้มาถึงตัวที่จริงเนี่ยเวลาพูดถึงไม่มีศีลเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายถึงการอยู่เฉยๆแล้วคนเราจะไม่มีศีล น, นะ่ถ้าอยู่เฉยๆนี่มันก็ ก็เรียกว่ารักษาศีลได้ครบถ้วนก็ว่าได้อย่างน้อยก็ศีลห้าปัญหาคนเรานี่ไม่ค่อยชอบอยู่เฉยๆเท่าไหร่และการที่เราอยู่เฉยไม่เป็นนี่แหละที่มันทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาโดยเพราะถ้าเกิดว่ามีความโลภความโกรธไปแรงจูงใจมันก็ทำให้ไปทาสิ่งที่ผิดศีลได้ก็คือไปเบียดเบียนเขา พอไปเบียดเบียนคนหรือสร้างความทุกข์ให้แก่เขาเขาก็ต้องตอบแทนหรือว่าแก้แค้นตรงนี้แหละที่หมายความว่าเมื่อเราไม่มีศีแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าเราไปเชื้อเชิญความทุกข์หรือว่าภัยอันตรายให้มาถึงตัวและถึงตอนนั้นแลนี่ก็ไม่มีอะไรจะคุ้มของป้องกันได้ชั่วแต่ว่าเมื่อไหลเท่านั้นเอง เเคยไปประเทศศรีลังกาเนะมื่อสักห้าหกปีก่อนเนะี่ยกับหลวงพ่อแล้วก็กับครูบาอาจารย์ที่นี่หลายลูกก็มีที่หนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักดีในหมู่นักท่องเที่ยวนะก็เรียกว่าศรีคิริยานะอ่านี่เป็นครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงนะแต่เป็นเมืองเมืองหลวงแค่ช่วงสั้นๆัสักสิบห้ายี่สิบปีได้ มันเป็นเมืองที่แปลกนะกว่าเมืองอื่นๆเพราะว่าตัวอุทยานนี่ตัวพระชรว น, นี้ตั้งอยู่บนภูเขาภูเขาก็รูปร่างแปลกนะเป็นรูปคล้ายรูปสี่เหลี่ยมเหมือนก็มีหินก้อนสี่เหลี่ยมก้อนใหญ่มาตั้งไว้มันไม่ใช่เหมือนสามเหลี่ยมเหมือนภูเขาทั่วไปเพราะฉะนั้นการที่จปีนขึ้นไปถึงยอดเขาได้นี่ ก็นับยากและบนยอดนี่ก็เป็นที่รากเป็นพื้นรากเป็นส่วนใหญ่ข้างล่าง น, นี่ก็เป็นอุทยานอุทยานน้ำอุทยานอดอกไม้สมัยก่อนนะเมื่อสักพันกว่าปีที่แล้วพ5 0 0ปีได้ข้างบนก็เป็นอุทยานแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายป้อมมากกว่า เป็นคล้าป้อมถึงแม้ว่าจะมีอุทยานทั้งข้างล่างข้างบนและถึงแม้ว่าจะมีภาพสวยงามมีชื่อมากเรื่องภาพพันกับปีและภาพก็ยังสวยอยู่เขียนอย่างเขียนอย่างเรียกว่าสดแล้วก็มันก็ยังติดตรึงแน่นพอเป็นการเขียนแบบเขาเรียกว่าเขียนในขณะที่ปูนยังไม่แห้ง บนั้นภาพมันก็เลยติดตึงแน่นทําไมถึงมาตั้งพระราชวังอยู่บนยอดเขาที่มีลักษณะแปลกๆอย่างนั้ น, นก็เพราะว่าพระราชาเนี่ยคือพระเจ้ากรสปะไปแย่งชิงราชบัลลังก์จากน้องชายแต่ก่อนนิ่มเมืองหลวงมาอยู่เมืองอนุราทปุระอนุราทพุระนี่ก็เป็นเมืองหลวงเก่าแก่ในตะั้งแต่สมัย หลังพุทธกาลใหม่ๆพระราชบิดานี่ก็ตั้งใจจะมอบราชสมบัติให้กับน้องชายชื่อพระโมคคัลลา น, นะคนลังการนี่ก็ตั้งชื่อตามพระอรหันต์นะพระโมคคัลลา น, นะมังพระกัสสปะบ้างกัสสปะนี่พี่ชายนี่มีแม่เป็นสามัญชนก็เลยไม่ได้ของราชบัลลังก์ ให้น้องชายซึ่งมีแม่เป็นพระราชนี้กส ป, ปะก็แค้นก็ยึดราชบัลลังก์จากจากน้องชายแล้วก็จับพ่อนี่มาขังไว้ขังไว้แบบทารุณนน้าคือโบกปูนเลยนะโบกปูนปิดตายให้ตายในนั้นแหละตายในตายในซอกแล้วก็ย้ายเมืองหลวง มาอยู่ที่สีคิริยาเนื่องจากตัวเองมีไปแย่งชิงรัชสมบัติเขาก็กลัวว่าเขาจะมาแย่งชิงกลับก็เลยต้องหาทำเลหรืชัยภูมิที่จะป้องกันการลุกลานได้ก็เลยขึ้นไปอยู่บนยอดเขาหาเขาที่มันปแปลกๆเนี่ยก็เขาลูกนี้แหละเขาสีคิริยาที่มันเป็นคล้ายๆเป็นหินก้อนสี่เหลี่ยมก้อนใหญ่ แล้วก็ตัวเองก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนนะเวลาจะลงมาทีนี่ลำบากมากนะถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ลงแล้นะเพราะว่าลงมาแล้วนี่มันขึ้นยากมากมันชันบางทีบางช่วงนี่มันชันขนาดแปดสิบองศาแปดสิบองศานี่ก็ชันมากนะพวกเราไปนี่ก็ก็ยังลำบากเลยนะไปก็เหนื่อยกัน ขึ้นกว่าจะไปถึงยอดข้างบนนี้ก็มีอุทยานมีปราสาะชวังสวยงามมองลงมาจากข้างบนก็เห็นภาพวิวททัศที่สวยงามมากแต่ว่าคนที่อยู่ในนั้นเลยเพาะพระกัสรินี้ท่านทางจะไม่มีความสุขเพราะว่าไปแย่งชิงไล่สมบัติไปฆ่าพ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับขังตัวเองอยู่บนนั้นแหละ ถึงแม้ว่าจะมีอำนาจแต่มันจะมีความสุขยังไงจะไปไหนก็ไม่อยากไปนะเพราะอยู่บนยอดอย่างนั้นจนะสุดท้ายเป็นยังไงทั้งทัที่อยู่ในเลือกใช้ภูมิที่พอเหมาะที่ที่ที่น่าจะมั่นคงแน่แนหนานะแต่ในที่สุดก็ยังหนีไม่พ้นภัยอันตราย น้องชายก็ในที่สุดก็กรีธาทัพมาแล้วก็พอจวนจะยึดพระราชวังได้นะ่กสปกัป่าก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายอันนี้มันก็เป็นอุทาหรณ์ได้อย่างดีเลยนะว่าแม้จะมีอำนาจมากและแม้จะมีไพ่พลทหารเยอะแยะและแม้จะอยู่ใน ชัยภูมิที่ลำบากแก่การที่ดูเหมือนปลอดภัยลำบากแก่การที่จะที่คนหนึ่งจะมาลุกล้านได้แต่ว่ามันก็ไม่มีทางนะเพราะคนเราเมื่อมีแรงแค้นแล้วเนี่ยมันก็ทําได้ทุกอย่างนะเพียงแต่ว่าจะใช้เวลานา น, านเท่าไหรนะ่นี่ก็ใช้เวลา15ปีในการแก้แค้นเพื่อชิงราชบัลลังก์ ที่เถือว่าได้เป็นสิทธิทโดยชอบทำนั้นป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดป้อมปราการที่ที่ดูเหมือนแนม่นมั่นคงแน่นหนาที่สุดนี่ไม่เคยไม่เคยปลอดภัยจริงเลยไม่เคยป้องกันอันตรายได้แท้จริงเคยไปที่อินเดียแล้วก็ไปกลับหลวงพ่อเหมือนกันอายุยีปีมาแล้วนะไปที่อารังกบัต ก็ผ่านป้อมปาการ ล, ลป้อมปราการหนึ่งอยู่บนเขาลูกใหญ่แน่นหนายิ่งใหญ่ยิ่งกว่าศรีคิริยายแต่ว่ามันก็ป้องกันไม่ได้นะเพราะว่าการแย่งชิงบัลลังก์การข่เมเห็คนเน่งร้ายที่กระทำต่อกันในที่สุดมันก็เชื้อเชิญได้อีกฝ่ายหนึ่งหาทางเข้ามา มันก็เหมือนกับกำแพงเมืองจีนนะที่ใหญ่โตโมโหฬาร น, นะยาวเป็นเป็นพันพันกิโลเมตรแต่ก็ไม่สามารถจะป้องกันอันตรายได้อย่างแท้จริงนั่นะมานึกอู่แล้วเนี่ยมันไม่มีที่ไหนที่มันไม่มีสิ่งภายนอกใดๆที่จะป้องกันอันตรายได้โดยเพราะถ้าหากว่าไม่มีศีลเสร็จแล้วนี่นะมันก็ เชื้อเชิญอันตรายให้มาถึงตัวได้เพียงแต่ว่าเมื่อไหร่เท่านั้นเองสีนี้สำคัญมากอันนี้มันถ้ า, ถ, าถ้าเทียบแล้วเนี่ยมันตรงข้ามกับเรื่องของพระกสปานี่ตรงข้ามกับเรื่องของพระพัทยาเลยนะพระพัทิยานี่ก็เป็นพระราชาในสมัยพุทธกาล วันหนึ่งก็มีเพื่อนมาชวนไปบวชเพื่อนนิก็พระอนุรุทธะเหตุผลที่มาบวชก็แปลกนะคือว่าพระพุทธเจ้าบวชญาติก็เลยอยากจะบวชนะและพร ะ, ะอนุรุทธะนี่มาบวชเพราะว่าไม่อยากทำงานนะเป็นคนที่เรียกว่ามีชีวิตที่สบายมาตลอดจีแรกพี่ชายจะไปบวช พี่ชายก็จะมอบสมบัติให้ให้น้องชายน้องชายพระนุรุท ธ, ธาที่ถามว่าต้องทําอะไรบ้างพอรู้ว่าต้องทําอะไรต้องหลายอย่างรวมทั้งการต้องอทํานาด้วยนะสมัยก่อนนี่ก็มีการทํานาะคล้ายๆเป็นพธิธีแรกนาขวัญพระนุรุท ธ, ธาบอกโอ้ยนี่ไม่เอาขอบวช ด, ดีกว่าบวชแล้วสบายาแล้วก็ไปชวนเพื่อนมา เพื่อนโยกคือพระเจ้าพัทธิยะเป็นศักยะด้วยกันก็เพื่อนชวนก็ตกลงไปก็คงคิดว่าบวชได้ไม่นานมั้งแต่มาบวชแล้วเนี่ยปรากฏว่าในที่สุดก็ตั้งใจปฏิบัติจนกระทั่งบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะพระเจ้าพทธิยะได้เป็นพระอรหรันต์ก็วันหนึ่งก็ คล้ายๆเป็นป่าลบลำพึงขึ้นมาว่าสุกหนอสุกหนอคนเห็นก็ไม่เข้าใจเมื่อคนได้ยินก็ไม่เข้าใจก็ไปทูลพระพุทธเจ้าว่านสงสารพระพัติญานี่คงจะคิดถึงราชสมบัตินึกถึงวันคืนที่สะดวกที่มีความสุขสบายในในปราะสาทชวังพระพุทธเจ้าก็เลย เรียกพระปฏิยะมาที่จริ ง, รงพระองค์รู้แล้วล้ว พ, พระพระปฏิญานี่บรรลุธรรมแล้วแต่ก็เรียกมาเพื่อจะอธิบายให้โอกาสอธิบายว่าเนี่ยทาไมถึงลํำพึงว่าสุกหนอสุกหนอพระปฏิญาก็อธิบายว่าเมื่อครั้งเป็นพระราชามีความแม้จะมีทหารแม้จะมีะบริษัทบริวารคอยป้องกันภัยแม้จะมี ปราสาทราชวังกำแพงแน่นหนาก็ยังรู้สึกไม่ปลอดภัยนะก็ยังกลัวอันตรายแต่เมื่อมาบวชแล้วเนี่ยทั้งๆที่ไม่มีอะไรเลยมีแค่จีวรนะผ้าจรายสามผืนแล้วก็พิกขาจานะฉันอาหารวะละมือนะแต่กลับมีความสุขไม่มีความรู้สึกกลัวเกรงไม่มีความรู้สึก ถึงความถึงภัยอันตรายแต่อย่างใดรู้สึกปลอดภัยมากฉันก็เลยรำพึงว่าสุขหนอสุขหนอนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ตรงข้ามกับพระกัสปะนะพระกัสปะนี่มีทุกอย่างแต่ว่าไม่มีความสุขนะเพราะว่าเริ่มต้นมาจากการที่ไปเบียดเบียนคนอื่นเขาแต่สามคนที่ ชีวิตนี้ไม่เบียดเบียนใครนะดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายนะก็ย่อมมีแต่ความสุขอย่างพวกเราเนี่ยไม่ไปเบียดเบียนใครนะเราก็ถือว่าถ้าเรามาดูใจของตัวเราเองแล้วคงจะพบว่ า, าก็มีความสุขนะไม่ต้องไปหวาดกลัวว่าใครจะมาทําอันตรายนะยิ่งถ้าเรามีมี ความปรารถนาดีนะต่อสรรพสัตว์นี่ก็ยิ่งจะรู้สึกปลอดภัยตรงนี้แหละที่นอกจากศีลแล้วเนี่ยเรื่องของจิตใจที่มีความเมตตาก็สําคัญเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องคุณภาพจิตแล้วถ้คุณภาพจิตที่เป็นกุศลมันก็เป็นเป็นเครื่องคุ้มภัยได้นอกจากศีลแล้วเนี่ยก็ต้องมีตรงนี้แหละนะคือคุณภาพจิต อย่างเช่นถ้าเรามีเมตตาต่อสัตว์เนี่ยเราก็ความกลัวก็จะน้อยลงนะจริงๆเมตตาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุ้มภัยได้ไม่แต่กับสัตว์เท่านั้นนะแม้แต่ผีสางเนี่ยก็เมตตก็สำคัญนะเคยมีพระนี่สมัยพุทธกาลเนี่ยโดนผีหลอกนะพระพุทธจาก็แน่ว่าเนี่ยให้ให้ ให้สาธยายกรณียเมตตาสูตรนะกรณียเมตตาสูตรก็คือพระสูตรว่าด้วยความเมตตากรุณาเมื่อเมื่อสวดหรือสาธยายและน้อมใจให้มีเมตตากรุณานะีก็สามารถที่จ ะ, ะขะจัดเป่าเป่าอันตรายนะจากผีสางได้อันนี้ก็ถืออะไรเป็นความเชื่อนะวันเนี่ยเวลาโดนเวลาเจอภัยทํานองนี้เนี่ย ซึ่งอาจจะคิดเอาเองก็ได้นะคนเวลากลัวเนี่ยเวลากลัวนี่ก็ปรุงแต่งสารพัดนะปรุงแต่งว่ามีผีมีอะไรทั้งๆ ท, ที่อาจจะไม่มีหรอกแต่ปรุงแต่งขึ้นมาแต่ทันทีที่เราน้อมใจให้มีเมตตาหรือว่าถ้าน้อมใจยังไม่ได้ก็สวดซะกรณียะเมตตาสูตรนะมันก็ทำให้จิตใจเราสงบเย็น แเมตตากรุณานี่ก็เป็นเครื่องคุ้มกันป้องกันภัยได้อย่างที่เราสาธยายเมื่อกี้นี้นะเมื่อเรามีเมตตาถ้ามีเมตตากรุณ า, นานมากเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้อันตรายนะจากสิ่งต่างๆนะเข้ามาได้น้อยล ง, งกับคนก็เหมือนกันนะคนที่มุ่งร้ายเนี่ยถ้ามีจิตเมตตาไม่ปรดัดไม่ไม่มุ่งร้ายเนี่ยก็ช่วยได้ เมือ่อสักสองสามร้อยปีก่อนเคยมีในประเทศเกาหลีนี่มันมีสงครามกันระหว่างเมืองและแม่ทัพฝ่ายหนึ่งก็สามารถยึดเมืองของปรปักได้แม่ทัพคนนี้แกก็ไม่ น, นับถือพุทธนะอาจจะ น, นับถือลัทธิของจือ๊อนะเพราะว่าในเกาหลีนี่มันก็มีทั้งของจือ๊อทั้งพุทธนะเหมือนกับประเทศจีน และบางทีก็เป็นปรัปักกันเมื่อเขายึดเมืองได้เขาก็จะเตรียมทาลายวัดพุทธ mm. ก็มีวัดใหญ่ mm. วัดหนึ่งเนี่ย mm. พอรู้ว่าเมืองนีตกเป็นของศัตรูพระในวัดก็ อ, อกพยพหนีภัยกันเป็นการใหญ่แต่ว่าเจ้าวัดนี่ไม่หนีเมื่อแม่ทัพนี่ mm. ยาตราทับเข้ามาถึงในเมืองก็ตรงเข้าไปใ น, ในวัดนะ แล้วก็ไม่พอใจมากที่รู้ว่าจเจ้าอาวานียังไม่หนีนะก็ตั้งใจจะมาทำร้ายเมื่อมาเจอหน้าเมื่อมาเมื่อมาพบจเจ้าอาวาเจ้าจอาวาท่านก็ไม่กลัวนะแม้ทํานนี้ก็ชักดาบขึ้นมาเราก็บอกว่าท่านรู้ไหมว่าท่านกำลังอยู่ต่อหน้าใครนะข้าพเจ้านี่สามารถที่จะ ฟันคนให้ขาดเป็นสองท่อนได้โดยไมก่กระพิบตานะครูแล้วครูว่าจะทำจริงด้วยแต่ท่านจ้าว่านี้ท่านเรียกว่าท่านไม่หวั่นไหวเลยแทนที่จะกลัวท่านก็บอกว่าแล้วท่านรู้ไหมว่าท่านอยู่ต่อหน้าใคร ข้าพเจ้านี่พร้อมที่จะถูกฟันให้ขาดสองท่อนได้โดยไม่กระพิบตาไม่ได้พูดท้าทายนะแต่ว่าพร้อมพร้อมที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งทำร้ายได้แม่แม่ทานี่ไม่ไม่นึกว่าจะเจอคำคำตอบแบบนี้นะแต่ก็รู้ว่าโอ้เจอคนจริงแล้วระหว่างคนที่สามารถจะฟัน คนให้ขาดเป็นสองท่อนได้กับอีกคนที่ยอมให้ถูกฟันขาดเป็นสองท่อนได้โดยไม่กับพิพตาเนี่ยใครกันแน่ที่จะนะมีความหนักแน่นมากกว่ากันอันนี้ท่านก็พูดด้วยความจริงใจนะแล้วก็ไม่ได้คิดจะไม่มีความโกรธความเกลียดเลยแต่พร้อมจะให้ให้ให้ทำลายได้นะแม่ท้าพนนี้ก็เลยยอมแพ้นะ ก็เลยชักมากลับแล้วก็เรียกพวกนะออกไปอันนี้ก็เรียกว่านะความเมตตาและความหนักแน่นมั่นคงนะไม่มีความโ ก, กรธเกลียดนี่ก็เป็นเป็นเป็นสิ่งคุ้มกันหรือว่าคุ้มภัยได้ในะสมัยนี้เราก็ไม่ค่อยได้เห็นความสําคัญตรงนี้เท่าไหร่ว่านะจิตที่มีเมตตาหรือคุณภาพจิตนี้ก็สําคัญ แต่ที่พูดมาทั้งหมดนี่มันก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องภัยภายนอกนะสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามมันคือว่าภัยภายในคนสมัยนี้เนี่ยมีความทุกข์เพราะว่าภัยจากภายนนี่เยอะภัยจากภายนอกไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวนี้นะสวัสดิภาพมันก็มีขึ้นดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากนะโดยพออยู่ที่นี่เนี่ยไม่มีเรื่องอันตรายจากภายนอกมากเท่าไหร่ โจนขโมยหรือว่าสิงสาสาตั์ก็ไม่ใช่เป็นปัญหาใหญนะ่เรื่องการกินการอยู่ก็เรียบร้อยนะราบรื่นดีถ้าจะมีภัยก็คือภยัยภายในนี่แหละนั่นก็คือไอความคิดของเรานี่แหละที่มันพร้อมจะปรุงแต่งหรือว่าไปสาวหาไปหยิบเอาความทุกข์มาเผาลนจิตใจได้ เพียงแค่เห็นอะไรไม่ถูกใจนะก็พร้อมจะทุกข์พร้อมจะหงุดหงิดนะแล้วคนสมัยนี้เป็นแบบนี้กันเยอะมากนะชีวิตนี้ก็มีความสะดวกสบายมีพร้อมทุกอย่างแต่ว่าก็เต็มไปด้วยความเครียดอย่างนี้ก็ไม่ถูกใจอย่างนั้นก็ไม่ถูกใจนะคนมาสายผิดนัดก็ทุกข์แล้วรถติดก็ทุกข์หงุดหงิดแล้วนะนะเป็นอย่างนี้กันนะ เป็นส่วนใหญ่จ้องเรียกได้ว่าในความความทุกข์ของคนสมัยนี้เนี่ยประมาณสัก80 90% เป็นี่ยมันเป็นความทุกข์ทางใจนไม่ใช่ความทุกข์ทางกายนยไม่มีอันตรายจากภายนอกมารบกวนเท่าไหร่แต่เป็นเรื่องของความรู้สึกในจิตใจซึ่งอาจจะสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกได้เช่นคนเขาไม่พูดไม่ถูกหูหรือว่า เขาสลัดลักนะความรู้สึก อ, อกหักอันนี้ก็เป็นเรื่องความทุกข์ทางใจความรู้สึกผิดหวังน ะ, อะสอบไม่สอบได้ไม่ดีหรือว่าแม้แต่การมีหนี้สินธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าได้เงินเดือนน้อยแนละพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องความทุกข์ทางใจทั้งสิน้นซึ่งอาจจะมีเหตุปัจจัยมาจากภายนอก แต่ว่าปัจจัยภายนอนนั้นมนไม่ใช่เป็นภัยคุกคามชีวิตหรือว่ารา่รางกายโดยตรงแต่เป็นปัจจัยของเราตั้งหากที่รู้สึกผิดหวังนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะไอความรู้สึกผิดหวังนี้ก็เกิดจากความยึดติดถือมันนั่นเองเสร็จแล้วเราก็ทุกเองนะเราทุกจากใจที่มันจากความ เสียใจความหงุดหงิดความโกรธนะที่เผาล้นหรือว่าทิ่มแทงจิตใจไอ้ตรงนี้แหละที่ที่เราเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยนะธรรมะเข้ามาช่วยป้องกันภัยที่เกิดจากภายในอันนี้เนี่ยเงินทองอำนาจบริษัทบริวารเนี่ยมันช่วยไม่ได้เลยนะแต่ต้องอาศัย ธรรมะนะโดยเพราะการมีสติการมีปัญญาถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ไม่เข้าใจความจริงของชีวิตนะเราก็คิดว่าชีวิตเนี่ยไม่ต้องเป็นไปอย่างที่เราทุกอย่างมันจะต้องเป็นไปอย่างที่เราต้องการเราไม่คิดเราไม่พร้อมที่จะเจอความผิดหวังเพราะเรามีความยึดติดถือมั่นในสิ่งต่าง ยึดว่ามันเที่ยงนะยึดว่ามันเป็นสุขนะยึดว่ามันอยู่มันอยู่ในอำนาจของเราได้แต่ก็อย่างที่เรารู้นะว่ามันไม่มีอะไรที่จะที่จะเที่ยงแท้แน่นอนหรือจีรังยั่งยืนได้เลยนะมันทุกอย่างเนี่ยแม้ว่าสิ่งที่เป็นสุขมันก็เจอไปด้วยทุกนะความสุขนี่มันเจออยู่ในความทุกนะเหมือนกับความ ความแก่นี่มันก็อยู่ในความเป็นหนุ่มเป็นสาวพภิษฎาตรัสว่านี่ความตายมีอยู่ในชีวิตนะความแก่อยู่ในความหนุ่มสาวความโรคภัยไข่เจ็บเนี่ยมันอยู่ในความไม่มีโรคไอสิ่งที่เราคิดว่าเป็นชีวิตเนี่ยมันก็มีความแก่เกิดขึ้นพร้อมกันสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นความหนุ่มสาวเนี่ยมันก็มีความความ ความแก่เกิดขึ้นพร้อมกันสิ่งที่เราเลีว่าชีวิตนี่มันก็มีความตายเกิดขึ้นไปควบคู่กันความตายมันเกิดขึ้นตลอดเวลาในร่างกายนี้และความเกิดดับของจิตมันก็เกิดขึ้นตลอดเวลาสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นความหนุ่มสาวนี่นก็คือความแก่ในรูปแบบนี้นั่นเองเด็กทารกที่เกิดมาวันแรกนี่ก็ถือว่าแก่แล้วนะอย่างน้อยก็แก่กว่าเด็กที่อยู่ในท้อง เด็กควมนึงก็แก่กว่าเด็กที่อยู่ในท้องความแก่มันเกิดขึ้นทันทีที่ที่คลอดออกมาที่เกิดมาลืมตาดูโลกหรือแม้แต่อยู่ในท้องนี่ก็ถือว่าแก่แล้วในท้อง9เดือนก็แก่กว่าเด็กที่อยู่อยู่ในท้องหเดือนหรือว่าหเดือนมันเกิดขึ้นทันทีนะความแก่เนี่ยรวมทั้งความมีโรค ก, ก็เกิดขึ้นพร้ อ, พรอมพร้อมกับร่างกายที่มีสุขภาพดี ไอ้ถ้าเราไม่เข้าใจความจริงข้อนี้เนี่ยเราก็จะหลงแล้วก็ไปยึดโดยเพราะยึดให้มันเที่ยงยึดให้มันเป็นสุกยึดให้มันเป็นให้มันจีหลังยั่งยืนแต่ถ้าเรามีปัญญาเห็นความจริงเนี่ยความยึดติดถือมันก็จะน้อยลงนะหรือแม้เวลาเผลอไปเผลอให้อารมณ์ครอบงําด้วยความผิดหวังด้วยความเสียใจด้วยความโกรธแต่ถ้ามีสติมีสติรู้มันก็วางได้ อารมณ์พ้นที่มันครอบงาใจเราก็เพราะเราเผลอเผลอก็คือไม่มีสติเมื่อไม่มีสติก็กลืมตัวเมื่อลืมตัวก็หลงเข้าไปในอารมณ์เมื่อหลงเข้าไปในอารมณ์แล้วถ้ามันหลงเข้าไปมากๆนี่ก็อาจจะลืมตัวทำในสิ่งที่ต้องเสียใจภายหลังได้นะมันมันเสริมกันนะมันเป็นวัตจัก เป็นพ่อลืมตัวก็เลยหลงเข้าไปในอารมณ์แล้วเมื่อหลงเข้าไปในอารมณ์มากๆเนี่ยเช่นโกรธมากๆนะก็สามารถที่จะพูดหรือทําร้ายคนที่เรารักได้หรือว่าเกิดมีความโลภ ม, มากๆหลงเข้าไปในความโลภ ม, มากๆเนี่ยมันก็ไปขโมยหรือว่าไปฉุดคราอนาจารคนอื่นได้อันนี้ทําด้วยความลืมตัวนะพอพอหลุดจากอารมณ์ได้หรือพอระบาย ทำตามอารมณ์เสร็จแล้วก็มา น, นึกเสียใจว่าทำไปได้ยังไง <c oughs> เป็นเพราะความลืมตัวแทนะ้หรือพวกที่หลงอยู่ในอารมณ์แล้วก็ไปเช่นติดยาเมายาแล้วก็ลืมตัวบางทีไปป้นเขาหรือว่าทำร้ายเขาบางทีก็ทาร้ายแม่อยากได้เงินมาเพื่อมาซื้อซื้อยาไอ้ตอนนั้นเนี่ยมันเ ม, มาเมาคือหลงเมื่อหลงแล้วก็เลยลืมตัว มันเป็นวัตถจักนะเป็นวงจรอุบาทลืมก็ทำให้หลงและหลงก็ทำให้ลืมนั้นถ้าเราไม่สามารถที่จะหลุดจากวงจรอุบาทนี้ได้เนี่ยชีวิตก็มีตกต่ำสุดท้ายเราก็สร้างภัยให้แก่ตัวเองไม่มีใครทำให้เรานะเราทำเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะปลอดภัยได้เนี่ยมันจำเป็นต้องมีสติมีปัญญาที่จะเป็น เครื่องมือพาเราหลุดออกจากวงจรดุบานนี้ได้อันนี้เพราะนั้นเรื่อ ง, รองธรรมะเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะช่วยทำให้เราปลอดภัยอย่างแท้จริงปลอดภัยในแง่นี้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าไม่แก่ไม่เจ็บนะไม่ตายนะนะความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นภัยที่ทุกคนต้องประสบแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีสติมีปัญญาแล้วเนี่ย ไอ้ภัยเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่สามารถจะทําให้ทุกข์ได้มันก็แค่แต่รบ ก, กวนเบียดเบียนร่างกายเท่านั้นเองความแก่ก็ทําให้ร่างกายนะทำงานลําบากความเจ็บก็ทําให้เกิดความทุกข์ทางกายแต่ว่ามันไม่สามารถจะกระเตือนไปถึงใจได้ความทุกข์มันก็มาหยุดตรงที่กายนี่แหละหรือแม้แต่ความพักภาคสูญเสียมันก็ไม่ทําให้ใจเนี่ย กแทกกระเทือนได้ทรัพย์สินเสียหายถูกคนขโมวยนะวอดวายในกรงเพิง <c oughs> ก็ได้แต่เสียทรัพย์นะแต่ว่าใจไม่เสียนะเพราะว่ามีสติมีปัญญาเป็นเครื่องรักษา <c oughs> เป็นเครื่องคุ้มครองนะนะเป็นเสมือนอกําแพงที่กั้นไม่ให้ศัตรูนี้เข้ามาทำร้ายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของศีลก็ดีนะ เรื่องของคุณภาพจิตที่เราเรียกว่าสมาธิก็ดีรวมทั้งปัญญาด้วยเนี่ยศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยสามอันนี้ถือว่าเป็นกำแพงสามชั้นนะที่จะช่วยทําให้เราปลอดภัยได้อย่างแท้จริงนะถ้าไม่มีถ้าไม่มีกำแพงสามชั้นนี้เนี่ยก็ยังไม่แน่นะก็ไม่แน่ว่าจะปลอดภัยได้หรือไม่ หรือถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะปลอดภัยได้เลยนะถ้าไม่มีกำแพงสชั้นนี้แต่งน้อยเนี่ยก็ต้องควรจะมีกำแพงชั้นแรกก็คือศีล น, นะศีลนี่ก็ถ้าทำให้ดีรักษาให้ดีไม่ไปเบียดเบียนใครมันก็ช่วยป้องกันไปได้เยอะแะแต่ถ้ามีสมาธิมีปัญญาสมาธิห ม, มายถึงคุณภาพจิตนะที่เป็นกุศลเช่นเมตตานะรวมทั้งจิตที่สงบด้วยเนี่ยมันก็ช่วยป้องกัน นะความทุกข์ตัวเพราะความทุกข์จากจากภายในเนี่ยให้มาไม่ให้มาเผาล้นจิตใจได้และถ้ามีปัญญาดูแลเนี่ยไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะกับกายหรือว่าเกิดขึ้นกับใจก็สามารถที่จะวางและทำให้มันไม่กลายเป็นปัญหามันก็เป็นสั์แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าไม่กลายเป็นปัญหาต่อไปความแก่ความเจ็บหรือความตายก็ไม่ใช่ปัญหา มันก็สักแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตาม mm hmm. เหตุตามปัจจัยและความพัดผ้าสูญเสียก็เหมือนกันะพวกนี้มันจะไม่ใช่ภัยอีกต่อไปเพราะว่ามันไม่สามารถจะทำความทุกข์ให้แก่จิตใจได้ไดน้เราลองคิดถึงเรื่องการรักษารักษาใจให้ปลอดภัยด้วยธรรมะอย่างที่ว่ามานี้มันจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยปลอดภัยได้อย่างแท้จริงอ่ะเราก็พูดกันต้นนี้อ่ะกลับ